ธรรมชาดกแผ่นที่10ลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่28พิพฤศจิกายน2556มีชื่อเรื่องว่าคุณยายตายแล้วฟื้น วันนี้เป็นวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2556เป็นวันเกือบจะสิ้นเดือนของเดือนพฤศจิกาแล้วต่อไปก็เป็นธันวาพวกเราทุกๆ ท, ท่านชีวิต ของพวกเราหลังไหลไปเรื่อยๆไหลหน้าไปเรื่อยๆแต่พวกเราคิดยังไงคิดจะมาโลภโกรธหลงอยู่ในนี้เหรอเห็นอะไรก็โลภไปหมดอยากจะได้ไปหมดอย่างนั้นใช่ไหมเห็นใครก็โกรธไปหมดอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็คิดว่าหลงว่าตัวเองจะไม่ตาย จะอยู่ในโลกนี้ช่วฟ้าดินจะลายอย่างนั้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราโอปัญจิโกนึกน้อมเข้ามาหาตัวเองไว้อยู่เสมอเสมอถ้าพวกเรานึกน้อมนึกคิดไว้อยู่เสมอกิเลสภายในใจของเราที่จะลุ่มหลงมัวเมาในเรื่องต่า ง, างๆก็คงจะขยับหรือว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงขึ้นมา ไม่มากก็น้อยอย่างพวกเราจะโลภโลภไปเพื่ออะไรตามไม่จริงเป็นคนขีตน้ตเน่แต่โลภอยากจะได้คนอื่นอันนั้นเอน่าเกลียดมากแต่ถ้าว่าเราเร า, เ, าเราเป็นขู้ตเน่จริงแต่เราไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาเขาก็จะมาเอาลัดเอาเปียบเราอันนี้แสดงว่าคนมีธรรมอยู่ในใจก็น่านับถือน่าเลื่อมใส ในระดับหนึ่งคือเป็นคนขี้ตนิแต่ก็ไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาก็คงหวงแหนเหมือนกับเราหวงแหนของเราของเขาขเขาก็รักหวงแหนของเขาเราจะไปเอารัดเอาเปรียบเขาเราจะไปเบียดบังเขาเราอยากโลภอยากจะได้ของเขาเพราะเขามาโลภอยากจะได้ของเราเราก็ไม่พอใจเราก็จะเสียใจ อันนี้ก็คือคนจะอย่างน้อยก็มีธรรมในใจแต่ถ้าหาว่าเราเขีดตนีจนเกินไปอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกแต่น่าเคารพตรงที่ว่าเราไม่โลภของเขาเราไม่เอาเปรียบเขาเขาจะมาเอาเปรียบเราอันนี้จุดนี้ที่น่าที่น่านับถือแต่ว่าเรามีมากแต่เราไม่ยอมเสียสละให้กับใครเลยอันนี้น่าตําหนิจุดนั้น คนที่ล่ำรวยแต่ว่าไม่ยอมเสียสละไม่ยอมเสียให้กับชุมชนสังคมมีแต่ห่วงไว้ห่วงไว้ไปเพื่ออะไรโลกไว้เพื่ออะไรอันนี้น่าตำหนิจุดนั้นแต่ถึอยังไงอันนี้มันเป็นอุปนิสัยแต่ละคนบางคนก็อย่างที่ว่านั่นนะกระเม็ดกระแแม่บางคนก็ใช้ ใช้ให้ตนเองเนี่ยมากแต่คนอื่นนะขี้เหนียวอย่างนี้ก็มีแต่บางคนก็ชอบช่วยเหลือชุมชนสังคมคนอื่นแต่ตัวเองนะ่ขี้เหนียวขี้เหนียวตนแบบตนเองคือขี้ตนีตหแบบตนเองไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าอะไรพอใช้ไปไงก็ใช้ไปอย่างนี้อันนี้ก็สบายใจใครสบายใจใเรา อย่างที่หลวงพ่อได้เห็นโยมที่ไปไม่นานมาเนี่ยเขาก็มากราบมากราบหลวงพ่ออายุของเขาคนนั้นป่าเข้าจะเข้าหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วล่ะผมขาวทั้งหัวแล้วแต่เขาก็ตัดผมเป็นปโพยมผู้หญิงนะก็ตัดผมเพียงเพียงเออเพียงหูเลยหูไปทตนเองเพียงคอเท่านั้นแหะตัดผมแบบผมม้าน่ะ ผมก็ขาวใส่ชุดขาวดำมาอยู่ในวัดมาช่วยทำอาหารทำน้ำปานะถวายกูบาอาจารย์ถวายพระสงฆ์หลวงพ่อเห็นแล้วเออเห็นทีไรค อ, อโยมยายคนนี้อยู่คนเดียวอายุมากแล้วทำไมเขาจึงอยู่อย่างนี้เห็นที่ไหนๆก็โดยมากจะเห็นเขา ในวัดคูบายจารย์อย่างวัดหลวงปู่จามอย่างนี้วัดหลวงตาอย่างนี้ยล้วไปที่ไหนโดยมากเห็นเขาเขามากราบโดยมากก็จะถวายน้ำปานะหลวงพ่อนะแต่วันหนึ่งเขาเข้ามากลาบหลวงพ่อคล้ายเขาก็มาเล่าความเป็นมาในความรู้สึกของเขาบวหลวงพ่อดิฉันเนี่ยเข้ามาสู่วัดวาศาส น, นานานแล้วถ้าคนมองอีกมุมหนึ่งเขาก็คงจะว่า ดิฉันมาเกาะหรือมาอยู่ยังไงแต่ดิฉันมันออกมาจากใจจริงๆออกมาจากใจจริงๆคือมีความรู้สึกถ้าไปอยู่ในบ้านมันไม่สบายใจมันออกมาอยู่ในวัดอย่างเนี้ยอยู่ตามลำบังกลางคืนก็มานั่งอย่างวัดหลวงปู่จามก็ไปนั่งเฝ้าหลวงปู่จามนั่งภาวนาสาสี่ห้าหกุมตีหนึ่งตีสองแล้วก็เดินจงกรมแล้วก็สบายใจ ทำภาวนาอยู่อย่างนี้สบายใจหรือกลับไปบ้านก็ไปอยู่วัดไหนก็เนี่ยภาวนาสบายใจเพราะที่ฉันก่อนหน้านี้ก็แต่งานแต่งานกับคนทางภาคใต้มีแม่ย่ากับมีผู้มีฐานะมีสวนยงสวนยางต่อมาก็ามาอยู่ทางจังหวัดการและก็คนอุดร เขาก็พูดแบบคร่าวๆนะไม่ละเอียดมากในครอบครัวแต่ถึงยังไงดิฉันเน่ยตั้สมัยเป็นเด็กเห็นเด็กไม่มีข้าวจะกินไปบังฟ้าเห็นหมู่กินข้าวไม่มีเงินดิฉันจะเรียกเขามามาแล้วก็เรียกมาร่วมทานอาหารและกระจายค่าอาหารให้เขาและกระจายเงินค่ารถให้เขากลับบ้านท่านดิฉันมีเงินอยู่ในกระเป๋านิสฉันจะชอบเป็นเด็กลักษณะอย่างนี้ ไปเห็นคนป่วยเดินมาเป็นเบาหวานเออ น, นี่เอาเรีบไปหาหมอเนะี่ยดิฉันจะส่งไปหาหมอแล้วก็ให้ค่ารถค่าอันนั้นให้เขาด้วยคือใจของดิฉันเนี่ยโดยมากชอบจะเป็นลักษณะช่วยเหลือชุมชนและสังคมแต่ตัวเองเนี่ยยังไงก็ได้มีอยู่มีกินเสื้อผ้าไม่เห็นจะลำบากที่ตรงไหนอันนี้คือเขาบรรยายให้หลวงพ่อฟัง จากนั้นเขาก็บอกว่าที่สะ ด, ดุดที่สะดุดใจอย่างมากคือจุดหนึ่งดิฉันได้ลูกสามคนกำลังจะเรียนหนังสือดิฉันไปอยู่ที่การจน บ, บุรีไปแล้วก็ลงไปในแพร์กลางคืนไปกับพักกับญาติพี่น้องนะกับครอบครัวพอไปพักเสร็จเรียบร้อยก็ไปล้างมือข้างนอกแพรพอไปเห็นดอก ดอกไม้สวยงามแต่เราก็ไม่ได้ถามมันดอกอะไรมันลอยมาเหมือนลอยมาข้างแพรก็เลยเอามือคว้าคว้าทีหนึ่งก็ไม่ไม่ถึงเพราะบุตรวิทมาเหมือนกันนะ อ, อยากจะได้ดอกไม้นั่นน ะ, ะคงจะเป็นดอกไม้เทวดาหรือพญานาค ก, ก่อะไรก็ไม่รู้ละมันลอยมาอีกใกล้ๆก็คว้าไปอีกอย่างแรงเลยเพื่อจะให้ได้เกาะติดเพื่อจะได้ดอกไม้นั้นมาแต่นีตัวเองก็ตุด หลุดลงไปจากแพ่เลยจุ่มลงไปในน้ําเลยท่านเลยตกน้ําพอตกน้ําขึ้นมามันกระดุกกระดุกเลยเหมือนเหมือ น, นมีอะไรดึงลากขาลงไปในน้ํมาพ่อพลากขาด้อยนั้นรู้สึกว่ามันไว้ความรู้สึกของมันวิวคล้ายๆว่า ม, มันหมดลมเลยเนี่อตายแล้วว่างทีนี้มันวิวเว็บพอร้านเรื่องความตายนี่ฉันดูๆแล้วไม่น่ากลัวนะท่านนะกรัู่นะ พราะมันเวลามันจะตายมันวิวเว็บจากนั้นก็หายเงียบไปเลยจากนั้นตัวเองก็ขึ้นมันเดินอยู่บนบกไปพอมาเดินบนบกมีผู้ชายสองสองสามคนสองคนมาเกาะแขนให้มาเกาะแขนแล้วก็ได้เกาะแขนเขาเดินเขาให้เดินพอเดินไปไปผ่านไปเห็นพวกตกนรกเหมืนกัไปผ่านนรกก่อนนรงพ่อ ไปเห็นคนตรงนั้นโอ้โ ห, หน่ากลัวมากเลยไปเห็นเห็นคนจะดุ้งเลยไงเนี่ยมองไอ้คนที่สองคนก็เลยตบแขนนะปักนอย่ามองะเ อ, อเขาว่าอย่ามองออแต่ก็อดมองไม่ได้แต่ก็เหลือเปลือบดูก็เห็นทั้งเดินทั้งนั้นไปด้วยเหมือนจากนั้นเขาก็เลยพาขึ้นไปขึ้นไปที่ไหนเดินไปเรื่อยๆไปจนไปถึงไปถึงชั้นนั่นเขาบอกอันนี้สวรรค์ชั้นที่สามนะเขาบอก สวรรค์ชั้นที่สามโอ้โหไปเห็นบ้านเมืองของเขาสวยมากนะคนก็สวยมากหอมอีกตั้งหากคนทุกคนหอมหมดเลยเออเห็นแล้วทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแต่ภาษาเขาใช้เนะี่ยใช้ภาษาใจนะท่านอาจารย์ถ้าเรานึกว่าอยากจะให้ฉันทำอะไรเนะี่ยนึกหาเนะี่ยคนนียนะเขารู้เลยใช่มีอะไรนะเขาจะถามฉันต้องการนั้นต้องการนี้นต้องการอะไรนะเขาจะรู้หมดเลย เราก็รู้จักภาษาใจของเขาอีกนะออสวรรค์นี่ยใช้ภาษาใจนะเลยจากนั้นก็ตีฉันไปเห็นต้นไม้ต้นไม้ทองคำอยู่ในบ้านของติจในนาบ้านของของท่านเขาเฝ้าไว้อยู่ไปเห็นต้นไม้โอ้โหต้นไม้สวยสวยมากแต่เป็นต้นไม้ลักษณะต้นไม้ทองคำแล้วก็น่ากินมากตุกผลละไม้ เ, เขาก็บอกไปปิดเอาสิตรงการ ดิฉันก็ไปปิดะไปเบ็ดไปเด็ดออกหมากไม้เด็ดเท่าไรก็หมุนเท่าไรก็ไม่ขาดนะหมุนไม่ขาดเลยกลับมานั่งเหนื่อยบอกเอ้ไปปิดให้ดิฉันหน่อยสิไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครของเราเป็นหน้าที่ของใครถ้าเป็นของใครของนั้นก็ปิดถ้าปิดไม่ได้ก็จะแดงว่ายังไม่พร้อมดิฉันก็นั่งโอ้หิวข้า ว, วางั้นเขาหิวข้าวออกเขาเอ า, ข, าข้าวมาให้กินสํำรับมาโอ้โหหน้าทานมากอาหารสวย น่าทานอาหารปลาเนตมากแต่พอจับแล้วหยิบลงไปเนแข็งหมดเลยท่นเมันกินไม่ได้ดิฉันจับแล้แข็งหมดกินไม่ได้จากนั้นเขาก็เลยเอาน้ำมาให้น้ำมาให้พอจิบได้อยู่น้ำแล้วก็กินน้ำได้ทีอแต่ดิฉันเนีกดถึงแต่ลูกเลยนะลูกสามคนนี่ยนเขาขอให้ดิฉันกลับไปบ้านก่อนเถินขอรองพวกที่มานั่งเฝ้าอยู่ พวกที่นายใหญ่ของเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าอ้าวมันออกไปแล้วมันมันกลับตามหายากนานฉันเขาว่าอตามหายากกลับขึ้นมาไม่ได้ไม่ใช่ดิฉันจะมาเองท่านที่ฉันไปดูแลลูกซะก่อนพาะในสุดก็เลยร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนเขาก็เลยบอกประชุมกันเขาเลยประชุมกันประชุมใหญ่แต่ดิฉันเวลาเขาประชุมฉันก็ได้ยินนะเขาอยู่ห่างไกลอยู่ แต่สงประสาทที่ชันขอกลับไปเถอเขาก็รู้เออว่านั่นน่ะเขาบอกโอไม่ได้มันร้องไห้ทั้งคืนปะเอาเห็นด้วยไ้ยให้เอากลับเออเอากลับก็กลับเอากลับเขาก็เลยตกลงมติกันให้กลับตอนนั้นแต่แกว่านะพอกลับแล้วก็นเขาก็เลยดีใจที่จะเขาพายให้กลับจากนั้นก็เขาก็เกาะแขนให้เกาะแขนพอมา เขามาส่งส่งส่งส่ ง, ส ง, สงมาเห็นเห็นร่างตัวเองนอนอยู่เขาก็บอกเอาเข้าไปเราก็เลยเข้าไปในร่างตัวเองพอเข้าไปแล้วก็ลืมตาเลยแต่เนี่ยออพอลืมตาขึ้นมาก็รู้วแต่เขาว่าตายตั้งแต่เมื่อคืนคืนก่อนแล้วก็ผ่านมาทั้งวันแล้วก็ผ่านมาอีกทั้งคืนอแต่ว่าน้องแม่เี่ยเป็นเป็นหมอนะเขาจะฉีดฟอร์มอลิน เข้าไปแต่แม่บอกว่ายาฉีเถอะมันยังอ่อนอยู่คิดว่ามันจะคืนอยู่นะเหนียวงั้นหยับยกแขนไปที่ไหนก็อเอาแขนไปพาดที่ไหนก็อเอายกไปได้มันยังอ่อนอยู่มันก็มันยังไม่แข็งถือเนี่ยสแสดงว่ามันจะคืนมาอยู่ได้เนี่ฉันก็เลยจะคืนมาจริงๆท่านอาจารย์มาออพอคืนมาแล้วนั้นเขาก็ถามไทยว่าฉันไปที่ไหนบ้างอะไรที่ไหนบ้างนะ ดิฉันก็เลยเล่าเล่าๆให้เขาฟังเนี่นี่แหละชีวิตของดิฉันเนี่ยมันสะดุดเดี๋ยวนี้เชื่อว่ามาบุญคุณโทษนระกสวรรค์นเนี่ยอยู่ในจิตในใจนี่ถึงจะใครจะคิดยังไงก็เถอะดิฉันมั่นมั่นใจเลยเอพอพราดิฉันเนี่ยเดี๋ยวนี้ดิฉันเองก็มาอยู่อย่างเนี้ยลูกลูกทั้งหลายเกิดคนหนึ่งก็เป็นหม อ, อพวกหยบเภสัตก็มีลูกสองสามคนแต่เราก็ไม่ได้ถามในรายละเอียดจุดนี้แต่เป็นหมอคนหนึ่ง เขาก็ให้เงินเดือนแม่มาพอเพียงเพียงใช้แล้วก็เก็บเงินค้าดอกค่าบ้านค่าชาวบ้านอะไรบางเพี้นไปได้แต่ใช้แบบไม่ฟุ่มเฟือยแต่ดิฉันไม่ใช้บัตรเอทเอนะที่ฉันเป็นบ้านนอกที่ฉันไม่ชนานาญทีฉันเอาฝากมาแล้วก็ไปไปเบิกวทีละน้อยละน้อยออามาใช้ที่ลูกก็ให้สรุปแล้วก็คือไม่เดือดร้อน อันนี้ก็คือชีวิตของคนคนหนึ่งก็น่าศึกษาเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะคล้ายๆกับว่าตายแล้วสองวันสองคืนนะไม่ใช่ธรรมดานะเนีอยจนได้คอยฟื้นคืนมานะแล้วก็เขาก็ใช้ชีวิตแบบสมสถะเอาแต่ถ้าว่าเขาจะไปอยู่แบบแบบสบายๆก็ได้อในห้องแอร์ก็ได้เพราะลูกทำงานถึงขนาดนั้นแต่ที่เขาไม่ เขาแบบรู้เท่ารู้ทันรู้ตัวว่าชีวิตนี่มันก็เท่านั้นน่ะนี่แหละอันนี้ก็คือการเป็นอยู่สรุปแล้วก็คือไม่โลกถึงจะมีมากก็ไม่รู้เท่ารู้ทันรู้ตัวชีวิตถึงขนาดนี้แล้วน่าจะรู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนแก่ขนาดนี้แล้วจะเอาอะไรอีกจะเพิ่มอะไรเข้าไปอีกมันน่าจะเพียงพอพอ น่าจะหาคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราอันนี้หลวงพอ่อเออหน้ า, เ, า, เ, า, เ, าเขาคิดอย่างนั้นหลวงพ่อเองอก็เห็นด้วยกับเขานะ เ, าเห็นด้วยกับเขาเพราะว่าเอาเขารู้จักพออรู้จักประมาณตนนี่แหละคือโลกใบนี้เนะี่ยเราจะไปโลกไปเพื่ออะไรจะไปโกรธก็เหมือนกัน บางคนก็เห็นใครมาก็โกรธให้เขาโมโหโกธาเพราะเห็นหน้าต่นนั้นอนะ่ะไม่พอใจล่ะเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาไม่พอใจล่ะยิ่งเขามาดุดาว่ากล่าวยิ่งมาพูดให้เรายิ่งไม่พอใจใหญ่ยิ่งเป็นผู้น้อยมาพูดให้ผู้ใหญ่ยิ่งโกรธให้เขาอีกอันนี้คือถึงจะโกรธก็โกรธเถอะถ้าเราเป็นผู้มีธรรมในใจถ้ามีผู้มีธรรมในใจ เมื่อโกรธเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาน้อนั่งภาวนามานึกดูตัวเองว่าข้าไปเจ้าโกรธเขาไปเพื่ออะไรอทําไมเราจึงไปโกรธเขาเขาว่าให้เราอย่างนั้นใช่ไหมเขาดุด่าว่ากล่าวให้เราใช่ไหมเราจึงไปโกรธเขาแล้วโกรธแล้วมันได้อะไรนึกย้อนดูหาเหตุและหาผลเถอมันหาผลหาเหตุซะก่อนจะหาผล ในเมื่อหาผลหาเหตุหาผลนั่นแหะในเมื่อเขาโกรธให้เราเออเราผิดไหมที่เขาว่าให้เราถ้ามันผิดเราก็แก้ไขซะถ้ามันโูกเราจะไปเสียใจทําไมในเมื่อเขาพูดผิดเนี่ยมองดูแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่เขาพูด่มันไม่เป็นอย่างที่เขาพูดนะ่ะเนี่ยเราก็ต้องบอกอืมเราไม่ได้บกพร่องเราก็ดูใจของเราดูความปวดพฤติของเราดูการเป็นอยู่ของเราไม่ใช่ว่า เราจะไปนะัสถานที่ใดเอ่หใครเห็นเราเนยะเย้มแย้มแจ่มใสเ อ, อเอาดอกกุหลาบมาให้ทุกคนเอหมาไปเห็นเราก็ทุกตัวก็ไม่ต้องเห่าเ อ, อกรดีขางให้ทุกตัวเ อ, อ่หไปเห็นมนุษย์หน้าไหนเ อ, อ่ห์เย้มแย้ ม, แ, ยมแจ่มใสทุกระดับเ อ, อเชิดชูบูชาถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเราก็จะหลงเขาอีกเหมือนกันนะเ อ, อ หลงหลงในโลกอีกไม่อยากจะออกจากโลกอีกนั่นแหละอันนี้เราไปเห็นอย่างนั้นขึ้นมาเราก็ต้องโอปนญญิกทุกคนจะให้มันได้อย่างใจเราขนาดใจเราก็ยังมีการกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเราจะเขาอยากจะให้เราจะให้เขาดีกับเราอยู่ทุกคนอย่างนั้นใช่ไหมใจถามใจตัวเองนะอยากจะให้เขาดีกับเราทุกคนอย่างนั้นใช่ไหมใจมันไม่ร่าจะเป็นอย่างนั้น ไปเห็นหมาหมาเห็นเราเหรอมันไม่รู้ใครมามันก็ต้องเห่าซะ ก, ก่อนฮะเราก็ไม่พอใจกับหมาแหะมันเห่าทําไมนะเดี๋ยวกูจะไปไล่ตีหมาอีกนะเผื่อเผอจะไปหมากัดขากูกูจึงต้องกัดขาหมาอีกนะออย่างนั้นใช่ไหมถ้าไอ้นี่มันด่ากูมันด่าทําไมกูต้องด่ามันคืนอีกนะอย่างนั้นใช่ไหมผลนที่สุดก็เลยตัวเองก็เลยเป็นคนชั่วคนเลวเใจเลวใจชั่วไปอีกมันก็ไม่ถูกอยู่เหมือนกันอันนี้แหละ ให้ระวังความโกรธให้ดูความโกรธของตนเองเขาโกรธขึ้นมาเราโกรธไปมันมีเหตุมีผลอย่างไรต้องหาเหตุในการโกรธหรือว่าการปรับปรุงแก้ไขตัวเองเ อ, อนั่นแหละจึงจะถูกต้องนะเป็นปาดเป็นปาดนะแต่ไปท่าเป็นภาระชนแล้วก่อนนั่นแหละเขา อ, อต้องฟัดกันหัวล้างข้างแต่ข้างใดข้างหนึ่งะผลที่สุดนะไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะมีตัวเวรเท่านั้นนะ่ะ เวรจะระงับได้ด้วยการไม่จองเวรเวรจะระคับไม่ได้เพราะมีการจองเวรกันอยู่เนี่ยนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาคำว่าหลงคํานี้อีกเหมือนกันเนีอยหลงก็คือหลงว่าตัวเองจะไม่ตายจะอยู่โชวฟ้าดินสลายอาจะอยู่นานเท่านานกับลูกกับหลานกับทรัพย์สมบัติกับวัดวาศาสนาเอาอย่างหลวงพ่ออินก็หลงวัดหลงสุสิทธิ์ลูกหา ว่าไม่ไปไหนรั้ง่าเนดะจะอยู่กับสู่เจ้าเนี่ยแหละชั่วฟ้าดินสลายยิ่งเข้ามาพ่อบอกว่าเอ้ยหลวงพ่ออินเอ้ยรักษาสุขภาพให้ดีๆเนะให้อยู่กับลูกลกับหลานนานๆร้นะอยี่สิบปีเนอะหลวงพ่ออินจะดีใจหั ว, วเราะเฮ้เฮเฮเออข่าจะอยู่กับสู้เจ้าไม่ว่าละร้อยี่สิบปียังร้อยไปข่าจะอยู่ชั่วสองร้อยปีจะว่ายอย่างนั้นเหรอแสดงว่าหลงหลงตัวเอง ถึงเขาจะว่าอย่างไงก็เขาก็ว่าแต่ว่าชีวิตของเราน่ยคืออะไรขอให้ลูกหลวงพ่ออินรักษาสุขภาพเป็นดีเนาะเออข้ากับรักษาสุขภาพดียู่ลูกหลานเน่ยข้ากับหายใจให้ข่ายู่เวลาข่าหิวน้ําข่ากับกินให้ข้ายู่เวลาถิ้งอาหารข่ากับกินให้ข่ายู่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยข่ากับกินถูกกินยาแก้ไข้แก้ปวดแก้วัดให้ข่ายู่ข้ากับรักษาอยู่เนอะลูกหลานเนอรักษาสุขภาพดียู่ แต่รักษาขนาดไหนก็เถอะแต่หลวงพ่ออินก็ยังคิดว่าอีกสักวันหนึ่งนะหลวงพ่ออินนะถึงจะรักษาขนาดไหนก็รักษาเถอะอีกสักวันหนึ่งฮนะหลวงพ่ออินคงจะไม่แพ้คนอื่นเขาเหมือนกันนี่ในใจของหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินต้องคิดไว้ในใจเสมอนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนะให้คิดไว้ในใจอถึงเขาจะให้ศินให้พรอย่างไงเอเราก็ต้อง โอ้ันธะิโกมองตนเองไม่อยู่เสมออย่าหลงอย่าเลิมตัวให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ถ้าพวกเรามีคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจแล้วนะอยู่นสถานที่ใดไปนสถานที่ใดยิ่งหมดจดจากกิเลสหมดราคะโทสะโมหะแล้วนั้นะเป็นภูบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอยู่ที่ไหนก็อยู่เถอดเถเนยอยู่ที่ไหนสบายทั้งนั้นลน่ะ ถามว่ายังมีกิเลสอยู่ไปที่ไหนก็ไม่สบายาไปอยู่ดวงดาวพระอาทิตย์ดาวพระจันทร์ดาวพร ะ, ะอังคารอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายทั้งหมดเพราะมันมีกิเลสอยูนะ่ถ้าอยู่หมดกิเลสแล้วอยู่ที่ไหนสบายทั้งหมดผลนั้นให้ชำระใจให้หมดจดจากกิเลสแลนเลิศประเสริฐที่สุดนะให้ดูตัวเองอย่าลืมตัวชีวิตของเราคืออะไรดีหลวงพ่อได้พูดยกตัวอย่าง เป็นบุคคลตัวอย่างให้ฟังเขาตายแล้วเขาไปยังไงอันนี้ก็เราก็ฟังเอาวไว้เชื่อทีเดียวกว่พาพอเขาพูดให้ฟังเราก็ต้องฟังเรามีหูสองข้างให้สังเกตให้ฟังแล้วความโกรธเราจะเอาชนะยังไงอยากจะให้คนยืดเชิชูบูชาทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกอย่างนั้นใช่ไหมนี่แหละหลงทำยังไงเราจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหม เสียงเหล่านี้พวกเราต้องโอปัญยิโกให้มองดูตนเองนวไว้อยู่เสมอมองดูตนเองแล้วเราไปนสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใดไปนสถานที่ใดมีแต่ประกอบคุณงามความดีมีแต่สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจอยู่ที่ไหนลมเย็นเป็นสุขอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนะอตอนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร